ท่านผู้มีจิตศรัทธามีความเยื่อใยในพระพุทธศาสนา ท, ทุกท่านวันนี้เป็นวันสารที่23เมษายนพุทธศักราช2559เป็นวันที่ท่านทั้งหลายมีเวลาว่างจากความกิกการงานต่างๆจึงได้ตั้งใจมาวัด เพื่อมาทำบุญเพื่อมาละบาปเพื่อมาชำระใจให้สะอา บ, บริสุทธิ์พอศรัทธาความเชื่อในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าเป็นการกระทำที่จะนำมาสึ่งความสุขความจเจริญ น, นำมานำมาแห่งการสิ้นสุด ข, ของกองทุกสิ้นสุด การเยนไว้ตายเกิดสาเหตุที่พวกเราเชื่อพระพุทธเจ้ากาเพราะว่าเรายังมองไม่เห็นในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงมองเห็นเราจึงต้องเชื่อเหมือนเราเป็นคนตาบอดพระพุทธเจ้าเป็นคนตาดีคนตาบอดต้องเชื่อคนตาดีเพราะคนตาดีเห็นสิ่งต่งตาง ที่คนตาบอดมองไม่เห็นสิ่งใดที่พระพุทธเจ้ามองเห็นที่พวกเรามองไม่เห็นพระพุทธเจ้ามองเห็นนรกมองเห็นสวรรค์มองเห็นการเวีนว่ายตายเกิดนี่คือสิ่งที่พวกเรามองไม่เห็นเพราะสิ่งที่ไปสวรรสิ่งที่ไปนรกสิ่งที่เวียนว่ายตายเกิดเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นกัน ทั้งๆ ท, ที่อยู่กับเราเป็นเรามาตลอดแต่เรากลับมองไม่เห็นตัวเราตัวที่จะไปเวียนว่ายตายเกิดตัวที่จะไปรับผลบุญผลบาปตัวที่จะไปนรกไปสวรรค์นี่คือสิ่งที่เรามองไม่เห็นขึ้นก็ตัวเราสิ่งที่เรามองเห็นนั้นไม่ใช่ตัวเราคือร่างกายร่างกายนี้เป็นเพียง ผู้มารับใช้เราแล้วก็อยู่กับเราไม่ได้ไปตลอดเดี๋ยวไม่นานเขาก็ต้องจากเราไปพอจากเราไปเราก็ไปรับผลบุญผลบาปที่เราได้กระทากันไว้ถ้าเป็นผลบุญเราก็จะไปสวรรค์กันถ้าเป็นผลบาปเราก็จะไปอาบายไปนรกกันแล้วพอผลบุญผลบาปนั้นหมดไป เราก็จะกลับมาเกิดใหม่มาเป็นมนุษย์ใหม่นี่คือเรื่องของใจที่ไม่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนกับร่างกายของพวกเราใจของพวกเรานี่แหละที่เป็นผู้ที่ไปเกิดไปเวียนว่ายตายเกิดไปรับผลบุญผลบาปในนรกในสวรรค์แต่พวกเราโชคดี ที่เราได้มาเจอคนตาดีคือพระพุทธเจ้าที่ทรงรู้ว่าการกระทำของพวกเรานี้จะเป็นเหตุที่จะทำให้เราไปนรกหรือไปสวรรค์การกระทำของพวกเรานี้ที่จะเป็นเหตุให้พวกเราไปเวียนว่ายตายเกิดไปเกิดแก่เจ็บตายพระพุทธเจ้าจึงสอน ให้เราล ะ, ละเหตุและทำเหตุที่จะทำให้เราได้ไปสวรรค์ได้ปิดประตูของนรกไม่ต้องไปนรกและไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดที่ท่านสอนให้เราทำบุญก็เป็นการเปิดประตูสวรรค์ถ้าเราทำบุญพอเราตายไปเราก็จะรับผลบุญ บุญก็คือสวรรค์ชั้นต่างๆแล้วท่านก็สอนให้เราละบาปเพราะการกระทำบาปเป็นการเปิดประตูนรกเปิดประตูบายถ้าเราไม่ทำบาป ก, ก็เท่ากับเราปิดประตูบายปิดประตูนรกพอเราตายไปเราก็ไม่ต้องไปบายไม่ต้องไปนรกแล้วก็สอนให้พวกเราชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ ถ้าเราทำละใจให้สะอาดบริสุทธิ์ใจของเราก็ไม่ต้องไปเกิดใหม่ไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดเพราะเชื้อที่ทำให้เราไปเวียนว่ายตายเกิดคือกิเลสตัณหาเราได้ชนะให้หมดไปจากใจได้แล้วพอไม่มีกิเลสตัณหาอยู่ในใจเราก็ไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้า ทรงรู้ทรงเห็นและได้ปฏิบัติมาแล้วพระพุทธเจ้าเองก็ได้ทำบุญอย่างเต็มที่แล้วท่านได้ละบาปอย่างเต็มที่แล้วท่านได้ชําระใจของท่านให้สะอาดบริสุทธิ์อย่างเต็มที่แล้วท่านจึงไม่ต้องกลับมาเกิดแก่จิตตายไม่ต้องไปเกิดในอบายไปสวรรค์ชั้นสูงสุดก็คือพระนิพพาน นี่คือสิ่งที่พวกเราจะได้รับประโยชน์ถ้าพวกเรามีความเชื่อในพระพุทธเจ้าเหมือนกับคนตาบอดที่เชื่อคนตาดีเวลาที่เราจะเดินข้ามถนนถ้าเราไม่มีคนตาดีพาเราข้ามถนนโอกาสที่เราจะถูกลดชนตายกลางถนนก็มีอยู่มากโอกาสที่เราจะข้ามไปอย่างปลอดภัยนี้แทบจะไม่มีเลยชั้นใด ถ้าเราไม่เชื่อพระพุทธเจ้าเราก็จะไม่มีวันที่เราจะได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเราจเราอาจจะไปสวรรค์บ้างอ า, อาจจะไปนรกบ้างเพราะเราบางทีก็ทำบุญบางทีเราก็ทำบาปเพราะเรายังไม่รู้ว่าผลของการทำบุญผลของการทาบาสนี้มีจริงหรือไม่ บางคนก็ไม่เชื่อว่ามีจริงบางทีก็ทำไปเพื่อความสบายใจเท่านั้นเองแต่มีผลตามมาแต่ผลนี้เรามองไม่เห็นกันเราจะเห็นก็ตอนที่เรามาเกิดเป็นมนุษย์นี้เราจะเห็นว่าพวกเรานี้มีฐานะแตกต่างกันบางคนก็รวยบางคนก็จนบางคนก็รูปร่างหน้าตาดี บางคนก็รูปร่างหน้าตาไม่ดีบางคนก็พี่กนพิการบางคนก็มีอาการ32ครบถ้วนบริบูรณ์บางคนก็อายุสัน้นบางคนก็อายุยาวบางคนก็ฉลาดบางคนก็โง้อบางคนก็ชอบทําบุญบางคนก็ชอบทําบาปอันนี้เป็นผลที่เกิดจากการกระทําที่เราได้ทํามาในอดีต ถ้าเราได้รูปร่างหน้าตาดีมีฐานะร่ำรวยมีสติปัญญาที่ฉลาดแหลมคมมีอายุยืนยาวนานนี่แสดงว่าชาติก่อนเราได้ทำบุญเราได้ละบาปมาเราถึงได้รับอานิสงส์ของการทําบุญและของการละบาปถ้าเราไม่ได้ทำบาปเรามาเกิดใหม่เราจะไม่ พ, กพิการที่การจะไม่มี โลกภัยไข้เจ็บเบียดเบียนอายุของเราจะไม่สั้นอายุของเราจะยืนยาวนานเพราะว่าเราไม่ได้ทำบาปมาจากชาติก่อนๆแล้วถ้าเราทำบุญมาเราก็จะเกิดในฐานะที่ดีเป็นลูกของคนรวยมีรูปร่างหน้าตาที่สวยงามมีสติปัญญาที่ฉลาดแหลมคม นี่คืออานิสงส์ของบุญนั้ของบาปที่เราทำกันมันติดตัวมากับเราจนถึงชาตินี้จึงทำให้เรามีฐานะต่างกันมีรูปร่างหน้าตาสวยงามมากน้อยต่างกันมีอาการ32มากน้อยต่างกันมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนมากน้อยต่างกันมีอายุยืนยาวนาน ต่างกันไปนี่คือสิ่งที่พวกเราเห็นกันแต่เราไม่รู้ว่าทําไมเราจึงไม่เหมือนกันก็เพราะว่าเราในอดีตทําบุญทําบาสมาไม่เท่ากันนั่นเองคนทําบุญมากละบาปได้มากไม่ทําบุญไม่ทําบาปมากก็จะได้อานิสงส์ที่ดีถ้าทําบุญน้อยทําบาปมากก็จะได้อานิสงส์ที่ไม่ดี นี่คือสิ่งที่พวกเราพอที่จะประมาณได้จากการที่เราเห็นพวกเราที่มาเกิดในโลกนี้ว่าทำอะไรทำไมเราจรึงไม่เหมือนกันทำไมเราไม่เหมือนพวกผลไม้ที่ออกมาจากต้นเดียวกันนี้มีเป็นผลเหมือนกันหมดแต่พวกเรามาเกิดเป็นมนุษย์ทำไมจึงสูงสูงต่างๆางดีชั่วต่างกันก็เพราะว่า อดีตนั้นเราทำบุญทำบาปมาต่างกันเราทำความดีทำความชั่วมามากน้อยต่างกันมันจึงทำให้เรามีความแตกต่างกันถ้าเราอยากจะให้ชาติต่อไปของเราดีขึ้นไปกว่าชาตินี้ก็ขอให้เราทำบุญละบาป ก, กันแล้วถ้าเราไม่อยากจะกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายก็เราต้องกำจัด ชำระใจให้สะอาดด้วยการกำจัดความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆให้หมดไปนี่คือสิ่งที่พวกเราสามารถทำได้เพราะพวกเราเป็นผู้ที่มีความสามารถถ้ามาเป็นมนุษย์แล้วนี่สิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนนี่ทำได้พวกที่ทำไม่ได้ก็คือพวกเดรัจฉานพวกหมูพวกหมาพวกแมว พวกนกพวกกานี้เขาทำไม่ได้เขาไม่มีความสามารถพอที่จะเข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้าพวกเรานี่มีความสามารถเราฟังแล้วเราเข้าใจเรารู้ว่าทำอะไรแล้วได้อะไรอยู่ที่ว่าพวกเราจะเชื่อหรือไม่ถ้าเชื่อแล้วทำตามเราก็จะได้ผลที่ดี ถ้าเราไม่เชื่อเราไม่ทำตามเราก็จะไม่ได้ผลที่ดีเราก็จะเวียนว่ายตายเกิดไปเรื่อยๆแล้วก็มีชีวิตที่สุขบ้างทุกบ้างแล้วแต่บุญแล้วแต่บาปที่เราทำกันมาแต่ถ้าเราเชื่อพพุทธเจ้าพบต่อไปนี้จะดีกว่าพบนี้ไปเรื่อยๆจนถึงพบสุดท้าย ซึ่งอาจจะเป็นภพนี้ก็ได้ถ้าเราทำมากเราก็สามารถที่จะยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้ในภพนี้เลยถ้าเราทำน้อยเราก็ต้องไปทำต่อในภพหน้าเหมือนกับเวลาที่เราซื้อรถยนต์หรือซื้อบ้านถ้าเราจ่ายเงินสดเลยเราก็ไม่ต้องผ่อนถ้าเราไม่มีเงินสดจ่ายเรามีแต่เงินดาว เราก็ต้องผ่อนไปเรื่อยๆชั้นใดการทำบุญทำบาปละบาปนี้ก็เป็นเหมือนกับทำแบบเงินสดก็ได้หรือทำแบบเงินผ่อนก็ได้ถ้าทำแบบเงินสดก็ทำให้มันเต็มที่ในชาตินี้เลยทำบุญให้มันเต็มที่ไปเลยละบาปให้มันเต็มที่ไปเลยแล้วชาระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ให้เต็มที่ไปเลยพอเราทำแบบนี้เราก็จะได้ ได้ผลทันทีได้ผลในชาตินี้เลยอย่างพระพุทธเจ้านะี้ท่านก็ทำเต็มที่เลยบุญก็ทำเต็มที่บาปก็ไม่ทำเลยใจก็ชำระให้สะอาดบริสุทธิ์เลยท่านก็เลยไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปภาษาวกทั้งหลายก็เป็นเหมือนกันพอได้ยินได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เกิดศรัทธาเกิดความเชื่อ น้อมนำเอาไปปฏิบัติทําบุญอย่างเต็มที่ละบาบอย่างเต็มที่ชําระใจให้สะอาดบริสุทธิ์อย่างเต็มที่พอทําเต็มที่แล้วก็ได้ได้หลุดพ้นไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดไม่ต้องกลับมาผ่อนสงไม่ต้องกลับมาทําบุญละบาปไปอีกหลายภพหลายชาตินี่คือสิ่งที่พวกเราทุกคนสามารถทํากันได้ อยู่ที่ว่าเราในความเชื่อมากเชื่อน้อยถ้ามีความเชื่อมากก็จะทำมากถ้ามีความเชื่อน้อยก็จะทำน้อยพอทาน้อยผลก็จะได้น้อยทำมากผลก็จะได้มาก mm hmm. นี่คือสิ่งที่พวกเราต้องคิดต้องพิจารณา ว, ว่าเราจะเอาอะไรเรายังอยากจะกลับมาเกิดมาแกมาเจ็บมาตายต่อไปเรื่อยเรื่เราอยากเรายังอยากจะมาเสี่ยงกับการ ไปตกนรกอยู่เรื่อยๆบางทีก็ไปสวรรค์บางทีก็ต้องไปตกนรกเพราะว่าถ้าเรายังไม่สามารถละบาปได้หมดถ้าเรายังไม่สามารถรักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์ได้เรายังต้องไปเกิดในอบายต่อไปการทําบาปคือการไม่รักษาศีลห้านี้เองสีลห้าคืออะไร ก็คือหนึ่งการไม่ฆ่าสัตว์สองการไม่ลักทรัพย์ไม่เอาของผู้อื่นที่เขาแม่อนุญาตให้กับเราสาไม่ไปประพฤติผิดปรเวณี 4. ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับสามีภรรยาของผู้อื่น 5. จะเป็นคนที่มีผัวเดียวเมียเดียวเรียกว่าไม่ประพฤติผิดปรเวณีสไม่โกหกหลอกลวงห้าไม่เสพอบายามุกเช่นสุรายาเมา เล่นการพนานเที่ยวกลางคืนมีความเกียดครั้นคบคนไม่ดีเป็นมิตรนี่คือสิ่งของผู้ที่จะไม่ต้องการที่จะไปอบายถ้าเรารักษาห้าข้อนี้ได้เราก็ปิดประตูอบายได้เราก็ไม่ต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานไปเป็นเปรตไปเป็นผีไปตกนรกนี่คือสิ่งที่พวกเราต้องทํากันเอง ไม่มีใครสามารถที่จะทำให้กับเราได้เช่นเดียวกับบุญบุญเราก็ต้องทำเองบุญคืออะไรก็คือทานการให้นี่เรียกว่าทานเรามาทำบุญทำทานกันทำเพื่อที่เราจะได้ไปสวรรค์กันถ้าเราทำบ่อยๆทามากๆเราก็จะไปสวรรค์สูงขึ้นไปเรื่อยๆแล้วถ้าเรามาปฏิบัติธรรมกัน เราก็จะมาชำระใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์วิธีชำระใจนี้ต้องชำระด้วยการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมนี้ก็เรียกว่าภาวนาภาวนาก็คือทำใจให้สงบแล้วก็สอนใจให้ฉลาดเพราะว่าความไม่สงบนี้ทำให้เกิดกิเลสตัณหาขึ้นมาความไม่ฉลาดเป็นการส่งเสริมกิเลสตัณหา ให้มีมากขึ้นอย่างตอนนี้พวกเราไม่มีความสงบกันใจของเราจึงไม่มีความสุขกันพอใจของเราไม่มีความสุขเราก็เลยต้องไปหาความสุขข้างนอกกันก็เลยเกิดความอยากได้เงินได้ทองได้ลาบได้ยศได้สรรเสริญได้สิ่งต่างๆได้แฟนได้สามีได้ภรรยาเพราะคิดว่าได้มาแล้ว จะทำให้เรามีความสุขกันแต่มันเป็นความสุขแบบเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดเป็นความสุขเล็กๆน้อยๆแต่มีตะขอเบ็ดที่จะมาเกี่ยวปากของเราปลาที่ไปหุบเหยื่อนี่พอหุบไปแล้วก็จะถูกตะขอเบ็ดเกี่ยวปากแล้วก็ถูกคนที่ตกปลานี่เอาไปต้มเอาไปแกงกินฉันใดความสุขเล็กๆน้อย ๆ, อยๆที่เราได้ จากการมีเงินทองจากการมีแฟนมีสามีจากการมีสิ่งต่างๆทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้ก็เป็นเหมือนความสุขเล็กๆน้อยๆที่เราได้จากเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดแต่เราก็ได้ความทุกข์ติดมาด้วยความทุกข์ก็คือเวลาที่เราเสียสิ่งต่างๆไปเพราะว่าสิ่งต่างๆที่เราได้มา ไม่ช้าก็เร็วเราก็ต้องจากกันได้อะไรมาเดี๋ยวสักวันหนึ่งก็ต้องจากกันไปเวลาจากกันก็ร้องอห่มร้องไห้เวลาอยู่ร่วมกันก็ก็ไม่สบายใจวิตกกังวลกลัวว่าจะไม่ได้อยู่กับเราเป็นานนี่คือความทุกข์ที่เราได้มาจากสิ่งต่างๆที่เราคิดว่าเป็นความสุขแต่แต่ถ้าเรามาทําตามที่พุทธเจ้าทรงสอน คือให้มาปฏิบัติธรรมให้มานั่งนั่งทำสมาธิกันพอใจของเราสงบใจของเราก็จะมีความสุขพอมีความสุขเราก็จะไม่อยากได้ความสุขจากที่อื่นเพราะไม่มีความสุขที่ไหนดีเท่ากับความสุขใจเรามีความสุขใจแล้วเราจะไม่อยากได้อะไรแล้วพอเราใช้ปัญญาสอนใจว่าสิ่งที่เราอยากได้ มันเป็นทุกข์ทั้งนั้นทุกข์เพราะว่ามันไม่เทีย่ยงมันไม่อยู่กับเราไปตลอดไม่ช้าก็เร็วมันจะต้องจากเราไปทุกข์เพราะว่าเราห้ามมันไม่ได้ห้ามไม่ให้มันจากเราไปไม่ได้สั่งให้มันอยู่กับเราไปตลอดไม่ได้นี่คือปัญญาที่เราต้องคอยสอนใจเวลาที่เราอยากจะได้อะไรมาให้ความสุขกับเราเราต้องบอกใจว่า มันเป็นความสุขชั่วคราวแล้วมันจะมีความทุกข์ตามมาเสมอเพราะว่าเวลาที่เราต้องจากกันมันเป็นเวลาที่เราจะต้องร้องห่มร้องไห้กันและทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้มาไม่ว่าจะเป็นคนไม่ว่าจะเป็นสิ่งของในที่สุดเราก็ต้องจากกันไปเวลาจากกันเราก็ต้องเสียอกเสียใจร้องห่มร้องไห้กันนี่คือปัญญา ถ้าเรามีปัญญาสอนใจและเรามีความสงบให้ความสุขกับใจเราก็จะไม่มีความโลภความโกรธความหลงเราก็จะไม่มีความอยากต่างๆความอยากความโลภก็เกิดจากความหลงที่ไปคิดว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้ให้ความสุขกับเราแต่เรามองไม่เห็นว่ามันให้ความทุกข์กับเราด้วยเวลาที่เราจะต้องจากกัน แต่ถ้าเรามีปัญญาเราก็จะไม่หลงเราก็จะไม่ไปหาสิ่งต่างๆในโลกนี้มาให้ความสุขกับเราเพราะเรามีความสุขที่ดีกว่าที่เกิดจากการนั่งสมาธิทำใจของเราให้สงบนี้พอใจของเราสงบมีความสุขมีปัญญาใจของเราก็จะไม่โลภพอไม่โลภ ก, ก็จะไม่มีวันที่เราจะโกรธเหตุที่ทำให้เราโกรธเพราะแล เวลาเราอยากได้อะไรแล้วเราไม่ได้ดังใจเราก็จะโกรธเวลาเราขออะไรจากคนนั้นคนนี้พอเขาไม่ให้เราเราก็โกรธเขาแต่ถ้าเราไม่ต้องการอะไรจากใครเราจะไม่โกรธใครเพราะเราไม่เราไม่ได้ผิดหวังเราไม่ได้เสียใจเพราะเราไม่ต้องการอะไรเราไม่ขออะไรจากใครเพราะเรารู้ว่าสิ่งที่เราขอสิ่งที่เราได้มา มันเป็นความทุกข์มากกว่าเป็นความสุขเรามีความสุขในใจดีกว่าเรามานั่งสมาธิทาใจให้สงบดีกว่านี่คือวิธีชำระใจของพวกเราให้สะอาดบริสุทธิ์แล้วพวกเราก็จะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปเหตุที่เราต้องกลับมาเกิดเพราะความอยากได้สิ่งต่างๆนี่อพอเราตายไปใจของเราไม่ได้ตายไปกับร่างกาย ใจของเรามีความอยากก็จะไปหาร่างกายอันใหม่เพื่อที่จะได้มาหาสิ่งต่างๆใหม่เหมือนกับที่เรามาเกิดในชาตินี้เราตายจากชาติก่อนแต่ความอยากของเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายเรายังมีความอยากอ ย, กอยู่เราก็เลยมาเกิดใหม่มาได้ร่างกายอันใหม่พอได้ร่างกายอันใหม่แล้วเราก็อยากต่อไปความอยากนี้ไม่ต้องมีใครสอนเลยมันอยู่ จิตกับใจของเราพอเห็นอะไรปั๊บก็อยากไดนะ้อันนี้คือเรื่องของการชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ถ้าเราชาละใจได้แล้วเราก็จะไม่มีความโลภไม่มีความอยากเราก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปนี่คือผลที่เราจะได้รับถ้าเราเชื่อพระพุทธเจา้าล้าเราจะได้ ไม่ต้องมาอยู่กับความทุกข์เพราะว่าการมาเกิดนี้เป็นการมาหาความทุกข์กันเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายกันต้องพัดพรากจากกันต้องดินน้นรนต่อสู้เพื่อที่จะหาสิ่งต่างๆมาให้ความสุขกับเราแต่ได้มากได้น้อยในที่สุดก็ต้องจากไปต้องเสียไปหมดแต่ถ้าเรากําจัดความโลภความอยาก หมดไปจากใจได้เราก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดไม่ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปเราก็จะอยู่กับความสุขที่เกิดจากความสงบ ข, ของใจอยู่ไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดเพราะใจของเรานี่ไม่มีวันตายใจของเรานี่มีแต่จะสุขหรือจะทุกข์เท่านั้นเองถ้ายังมีกิเลสตัณหาก็จะทุกข์ไปเรื่อย จะไปเกิดอยู่เรื่อยๆถ้ากำจัดความโลภความโกรธความหลงความอยากได้หมดก็ไม่ต้องไปเกิดใหม่แต่ไม่ได้หายไปไหนการที่ไม่ได้ไปเกิดใหม่นี้ใจไม่ได้หายไปไหนใจก็ไม่ต้องมีร่างกายเท่านั้นเองไม่มีร่างกายก็อยู่ได้มีความสุขได้มีความสุขมากกว่าการมีร่างกายเพราะเวลามีร่างกายมันมีความทุกข์แท้มาด้วย นี่คือสิ่งที่พวกเราควรที่จะเชื่อและควรที่จะปฏิบัติตามเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องมาร้องห่มร้ององง้เสียอกเสียใจวุ่นวายใจแบบไม่รู้จักจ บ, จบจากสิ้นเราจะมีแต่ความสุขไปตลอดนี่คือผลที่เราจะได้นับจากการเชื่อพระพุทธเจา้าแล้วปฏิบัติตามคำสอนที่ทรงสอนให้เราทําบุญละบา และชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์จึงขอฝากเรื่องของการมาวัดด้วยศรัท ธ, ธาความเชื่อนี้ให้ท่านได้นำเอาไปพินิจพิจารณาและเอาไปปฏิบัติเพื่อความสุขและความหลุดพ้นจากความทุกข์ที่จะตามมาต่อไปการสแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้